ทรงประชุมสง์สอบถามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุนุ่งห่มไม่เรียบร้อยมีมารยาทไม่สมควรเที่ยวบินทบาทเมื่อคนทั้งหลายกําลังบริโภคก็ยื่นบาทสําหรับเที่ยวบินทาบาทเข้าไปบนของบริโภคบ้างบนของเคี้ยวบ้างบนของลิมบ้างบนน้ํำดื่มบ้าง